บอกไม่หมดเพื่อผลประโยชน์ได้หรือไม่ถามผมทำการค้าหลายครั้งบอกความจริงกับลูกค้าแต่บอกไม่หมดเหมือนบิดเบือนข้อมูลไปถือว่าเป็นการผิดศีลเรื่องการพูดปดหรือไม่ครับตอบถ้าเจตนาเราต้องการกล่อมคนฟังให้ถึงขั้นเข้าใจผิดจากความจริงก็เรียกว่าเป็นการมูสาทั้งนั้นครับ จะด้วยวิธีบอกทั้งหมดหรือบางส่วนหรือกระทั่งใช้ภาษากายเป็นอุบายล่อตาก็ตามเจตนาทำให้คนดูหรือคนฟังสำคัญผิดจากความจริงอย่างสิ้นเชิงนั่นเองคือมุสาว่าเต็มขั้นกล่าวกว้างๆอย่างนี้ความจริงในภาคปฏิบัติต้องดูเป็นเรื่องๆด้วยครับบางทีคุณไม่ได้พูดโกหกแม้แต่คำเดียวเทว่าเจตนานั้นช่อฉน ทำให้คนฟังหลงกลกลับความเข้าใจจากดำเป็นขาวจากขาวเป็นดำอย่างนี้ก็เข้าขายมุสาวาตตรงข้ามแม้คุณไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเช่นพ่อสอนลูกด้วยการอุปมาอุปไมยหรือยกนิทานมาเล่าเป็นการสาธกแต่ลูกเกิดความเข้าอกเข้าใจสัจธรรมอย่างถูกต้องอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเข้าขายมุสาวาต ในหลายกรณีถ้าเราพูดความจริงตามหน้าที่โดยคิดว่าหน้าที่ของเราให้ข้อมูลเขาได้แค่นี้ก็ถือว่ารอดตัวยกตัวอย่างเช่นทีมแพทย์ตกลงกันว่าจะบอกญาติคนไข้ว่าผลการผ่าตัดมีโอกาสสำเร็จตำ่ำทั้งที่นึกๆึกอยู่ในใจว่าไม่มีทางสำเร็จเลยอย่างนี้ก็ไม่นับเป็นการโกหกเพราะผลยังไม่ปรากฏชัดเจนแน่นอน เป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครรู้จริงสำหรับพวกที่ต้องติดต่อค้าขายอาจเลี่ยงยากเราไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลด้านเดียวแต่มักต้องให้ข้อมูลด้านอื่นที่ผู้บริหารสั่งมาด้วยเริ่มต้นอาจเป็นกระตัดตา ก, กรรมคือคุณจำใจโกหกตามคำสั่งโดยไม่ยินดีแต่พอทำบ่อยๆจนชินกลายเป็นความเต็มใจ ในที่สุดก็เป็นกรรมของคุณเองได้พูดง่ายๆคือใจหมดความรู้สึกผิดเมื่อใดตรงนั้นคือมุสาวาเต็มขั้นแล้วบางทีอยู่ในโลกก็หลีกเลี่ยงบาปกรรมยากครับคุณต้องรักษาศีลสะอาดผ่องแผ้วพอจะไปเกิดในสังคมอรารยะที่ไม่มีการโกหกเลยเอาเป็นว่าถ้าจำเป็นต้องโกหกก็ขอให้รักษาความไม่ยินดีไว้บอกตัวเองว่า เราไม่อยากอยู่ในวงจรแห่งการมุสาเลยวันนี้เราทำเขาวันหน้าก็ต้องโดนเขาทำบ้างเมื่อใดคุณขาแข็งพอจะปลีกตัวออกมาจากวงจรเดิมๆ เ, เสียได้ก็อย่าช้าแล้วกัน